คำว่าเทีย่ยงคำว่าแน่นหนาทาวรหรือกีรังมั่นคงเป็นสิ่งที่โลกต้องการในส่วนที่ถึงปัจฉนาเช่นความฝึกเป็นต้นแต่สิ่งดังกล่าวนี้เราจะหาได้ที่ไหนเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ขัดต่อความต้องการทั้งเราทั้งนั้น คือเป็นกระปักหลือตรงมันข้ามไปหมดมีไปเรื่องอนิจจังนะกถ้าว่าถุกก็มีทุก ข, ขังเข้ามาเสียอนัตตาเข้ามาเสียนยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่โดยถูกต้องสุ่งนี้เราค้านไม่ได้เพราะเป็นของตายตัวทำก็แสดงจรรมความปีนที่มีอยู่อย่างตายตัว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 อันแท้จริงที่สอนเพื่อดำเนินหรือการเลีกเลี่ยงสิ่งล่านี้ได้พอควรท่านก็สอนไว้แล้วว่าสปปาปะสะอกระนังการไม่ทาความทั่วทั้งปวงหนึ่งนั่นกะุศลสู้ประซึมประดาการยังกุศลคือความฉลาดในสิ่งที่ชอบทําให้ถึงพร้อมนะ่ะ สจิตตะประโยชน์ปัญังทำปิดของตนให้ของสจนกรทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเกตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะคือชี้ในวันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีองค์ใดที่จะแสดงให้แตกต่างนี้ไปเพราะความจริงทั้งหลายไม่มีของแตกต่างไม่ว่าจะสมัยใดก็ตาม มีเรื่องอนี้จังทุกข์พังนาตาดู่เป็นประจำโลกมานมนานแมน้พระพุทธเจ้ายังไม่มได้จัดทะูุขึ้นมาเป็นระหว่างสิงห์กับคือไม่มีคำตั้งสอนแสดงเรื่องความจริงเหล่านี้ก็ตามความจริงเหล่านี้ก็มีมาดั้งเดิมมีมาประจำอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องการเราจะหาได้ที่ไหน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 ทรงสำเร็จความมุ่งหวังจากสถานที่นั้นพระสงฆ์สามกที่ได้เป็นศาสนาของพวกเราก็สําเร็จความมุ่งหวังในจุดนี้ธรรมที่ได้นามาประกาศสอนโลกในพวกเราทั้งหลายได้ยึดถือตลอดมาก็ออกมาจากจุดนี้คือใจที่ห้อมล้อมอยู่ด้วยความอนิจจังทุกขังหน้าตานั่นแหละและเป็นผู้รับทราบเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องอนิจจังทุกขังหน้าตาที่มีอยู่เต็มโลก แต่จุดนี้ก็เป็นเป็นจุดที่จะปลอดภัยได้เมื่อดำเนินตามหลักธรรมคาตั้งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ไว้แล้วโดยถูกต้องเราเกิดมาด้วยกันทั้งคนไม่มีอะไรบกพร่องในความเป็นมนุษย์ตามสมมติยมเต็มตัวเราจะทำอย่างไรจึงจะส่งเสริมคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่บกพร่องนี้ ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นด้วยคุณธรรมที่จะจะรับจากกองอนิจั์ทุกขังห น, าา น, น้านี้ดังที่เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญอยู่เวลานี้และบำเพ็ญเรื่อยมานี่แลคือทางนำเนินเพื่อความรบดีปีดภัยทั้งหลายได้โดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้ถึงสิ่งที่พึงหวังจะเรียกว่านิจั์เป็นของเที่ยงก็ได้เมื่อไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเข้ามาทาลายความมุ่งหวัง ไม่มีทาอะไรเข้ามาทาลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วเราจะเรียกว่านิจจังคือความเที่ยงก็หด่ายสุขขังนันเป็นบรมมัศุก็ไม่ผิดเราจะเรียกว่าอัตตาเข่ามาจีดเป็นตนแท้ตนในหลักธรรมาชาติจนไม่ได้หมายถึงว่าอัตตาที่เป็นคู่กับอนัตตาอั น, นั้นเป็นความสมมุติอีกขั้นหนึ่งแนวทางแห่ง การประพฤติปฏิบัติเพื่อความเท่าเท่าปลอดภัยไปโดยลำดับไม่ว่าภายนอกภายในไม่มีสิ่งใดที่จะนอกเหนือจากพระโอาวาทคำตงสอนของพระพุทธเจ้านี้เพราะฉะนั้นศาสนาจึงไม่มีทางล้าสมัยเป็นมัชฉิมาอยู่ในท้ำกลางแห่งความประพฤติความเป็นไปของโลกอยู่เสมอไปคือเหมาะสมกับโลกทุกการทุกสมัย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 เป็นสิ่งที่โลกประทนากันอะไรๆก็ตามขึ้นที่ว่าขาดคุณแล้วขาดแล้วขาดเหล่าขาดมาอยู่ไม่ถอยก็ล่มจมไปได้เราก็เมื่อขาดทุนมุทานาจิตใจคือขาดทุนจากคุณงามความดีมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเหยียบย่ําทําลายไปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ล่มจมได้เช่นเดียวกันกับเรื่องสมบัติเงินทองภายนอกเพราะฉะนั้นเราจึงควร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 เราค้นรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระนี่เพื่อให้ยึดเอาสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาจากการค้นการพินิจพิจารณานี้เป็นสิ่งที่ทําได้ดังพระพุทธเจ้าเคยดําเนินมาแล้วพิจารณาอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพแห่งสั้งสารร่างกายและสิ่งทั่วๆวไปนั่นแหละเป็นอารมณ์ให้จิตท่องเราได้พ้าหาที่พึงที่ยึดอันเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสาระคุณสำคัญท่านพิจารณา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 ลงไว้ก็ไม่ได้จารึกแบบลอยลอยผู้อ่านอ่านแบบลอยลอยไม่ได้คิดเลยการเป็นเรื่องศาสนามนเป็นของจำเป็นเป็นของลอยลอยไปเสียทั้งๆที่ตัวเราลอยเราไม่รู้งนราเหนอนอื่ น, เ ป, นเป็นเรื่องลอยลอยไปเสียตัวของเราเองนั่นแหละลอยลมหาหลักยึดไม่ได้มันก็นมาเสียตรงนี้เพราะนั้นเรางต้องพิจารณาให้ถึงจิตถึงใจ ว่าเรื่องทุกขังก็ทำมันชัดในตัวของเรามีอยู่ในตัวของเราทําไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านทําไมรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์นอกจากเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องจิตใจแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบในธาตุในขันอันนี้ตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งวันอวสาแนแห่งชีวิตจะต้องรับผิดชอบกันได้ด้วยไปเี่งนี้นาเป้าอะไรต้องเราต้องรับภาระทั้งนั้นอันนี้จังมีอะไรแปลบ้างหรือไม่แปล ภาในตัวของเหล่านี้ตู้ที่อื่นมันกลไปมุมรานอกสุ่มเอาในสุ่มนี้แหละคือตัวของเราเนี่ยค้นเข้าไปที่ตรงนี้มีอะไรแปลบ้างเราเห็นอยู่ทุกระยะถ้าใช้ปัญญาพิจารณา ว่าชาติปิดดกขาชราปิดดกขามานำปิดดกขังแล้วก็สวดจนชินปากแต่ใจไม่อยู่กับชาติปิดดูขาชราปิดดูขามันอยู่ไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยสักแค่ว่าสวดสักแต่ว่ากันไปเป็นทํานองทำเนียมไปแต่กิเลสที่อยู่บนหัวใจเรามันไม่ได้ทานองทำเนียมมันเป็นกิเลส จ, จริงๆมันก่อขวนจริงๆทําความทุกข์ให้เราจริงๆการแก้กิเลสการแก้ความ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 จะสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านประทานโอวาทแก่สารโลกไว้ด้วยพระเมตตาอย่างเต็มทัศนแล้วก็เข้ากันได้ตาหลักพระเมตตาที่ทรงสั่งสอนสารโลกด้วยอัดด้วยธรรมเราสนองท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าจงนักพักดีต่อพระพุทธเจ้าควาถูกแต่ว่ามีความจงนักพักดีต่อตัวเพื่อความถูกความเจริญแก่ตัวก็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 วันคืนปีเดือนมันมีมืดกับแจ้งจะว่าผ่านไปหรือผ่านมาก็ก็แล้วแต่มันมีมืดกับแจ้งผ่านั้นแต่เขาเรียกว่าเวลาที่ผ่านไปสังขารร่างกายก็มีความผ่านไปเช่นนั้นเหมือนกันทานผ่านไปโดยลําดับไม่มีการย้อนกลับสําหรับร่างกายอันนี้จะต้องไปถึงที่สุดจุดหมายปลาทางในวันหนึ่งแต่ว่าปลายทางนั่นก็คือที่สุดแห่งชีวิตนั่นแหละไม่ใช่ปลายทางที่เราต้องการ เพราะคำตาไมไ้่มีใครต้องการแต่ก็ต้องเจออันเดยกันทุกคนก็การเกิดกับการตายเป็นของคู่กันอยู่แล้วเรียนกองนี้ให้เห็นชัดเจนเราจะน่าหายสงสัยเรียนอะไรก็มาหายสงสัยถ้าไม่เรียนตัวเองเพราะตัวเองเป็นผู้หลงตัวเองเมันผููยึดตัวเองเป็นผู้รับผลแห่งการยึดการถือของตนหรือเรล่าว่าตัวเองเป็นผู้รับผลแห่งความผิดของตนเอง จิตต้องเรียนลงที่ตรงนี้ชาติปิฏุขาเรียนให้ถึงใจขณะที่เกิดทุกแสนสาหัสเราจําไม่ได้รอดตายมาแล้วถึงมาเป็นมนุษย์นั่นท่านบอกว่าชาติปิฏุขาท่านพูดด้วยความจริงแต่เราจําไม่ได้เสียเหมือนกับว่าไ ม, าม่ไม่ใช่ความจริงชาติปิฏุขาขามโมกงนังนเงสี่ขาห้าขาสี่เท้าห้าเท้าไม้ยันนุ่นยันนี้ดีที่ไหน มานำพิ đu ขังก่อนที่จะพายก็กระวนกระวายแสนสหัดทั้งผู้ที่นี้ชีวิตทั้งผู้ที่จะผ่านไปต่างคนต่างมีความเดือดร้อนโดยกันไม่มีกองทุกข์อันใดที่จะมากยิ่งกว่าเวลานั้นผู้เป็นญาติเป็นมิตรผู้เกี่ยวข้องหมูกเต่าหลานเหรียสามีภรรยาก็ต้องเดือดร้อนเต็มหัวใจในขณะนั้นผู้ที่จะผ่านไปก็เดือดร้อนเต็มหัวใจ จะไม่เรียกว่าทุกอย่างไรถ้าเราเรียนให้เห็นความจริงแค่ น, นี้แล้วทําไมเราจะไม่ได้คติจากการพิจารณาแค่นี้แล้วอะไรมันถึงจะสูงก็พิจารณาให้ทราบคือเราบังคับไม่ได้นั่นแหละมันถึงเป็นไปเช่นั้นหากเป็นสิ่งที่บังคับไปแล้วโลกนี้ไม่มีป่าชา้าเพราะสาติและบุคคลบังคับกันได้ด้วยกันแต่นี้เป็นสิ่งที่สุ ด, ดวิสัยนี่เรื่องของ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 อือ่ดีๆนี้ให้ได้รับผลประโยชน์ขึ้นมาอย่าให้เสียเวลาเวลาไปเปล่าๆภาวนานั้นเแี่ยทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีพระพุทธเจ้าประภาวนาจึงทราบเรื่องเหล่านี้นะนําเรื่องเหล่านี้มาสอนสัตว์โลกเราก็ดําเนินตามท่านให้ทราบเราเคยไปเมืองนอกเมืองนาทวีปไหนเราเคยไป ดูโลกด้านโลกนี้ดูโลกไหนก็ไม่หายสงสัยดูโลกไหนก็แบกกองทุกไม่มีอะไรบกพร่องทุกไปทุกแห่งทุกผลเราตัวเราไปที่ไหนเป็นทุกไปนั้นถาว่าเป็นสุขหรืนเลื่อนบ้างก็เป็นความสําคัญทังตนต่างหากแต่ถ้าได้เห็นทุกภายในนี้แล้วถ้าได้ดูโลกภายในตัวของเรานี่แล้วก็จะกระจะปรากฏเป็นโลกบิทูขึ้นมาเดี๋ยวรู้แจ้งโลกหายสงสัยเรื่องโลกโลกนอกโลกในโลกที่ไหนก็ตามใกล้ไกลเมื่อ ถ้าพิจารณาเป็นสักขันนี้ตลอดทั่วถึงแล้วจะมีความสุขขึ้นมาในในจุดนี้พิจารณาอย่างไรพิจารณาธาตุขันเบื้องต้นเอาพิจารณารูปกายหลังที่ว่า น, นี่ยดูความแปรปวนเราก็ทราบได้ชัดชัดความทุกข์ก็เกิดขึ้นในขันอันนี้พิจารณาให้ดีใจนั้น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 แยกแยะแยกส่วนแบ่งส่วนแบ่งร่างกายให้เห็นแต่ยังไม่ตายดูตั้งแต่ตาดเป็นปาดช้าเนี่ยดูตั้งแต่ในขณะนี้อย่าด่วนให้เขานําเราไปป่าช้าไปสู่เมนเราดูป่าช้างเราก่อนดูตั้งแต่ข้างนอกข้างในดูเข้าไปโดยละเอียดทั่วถึงจิตจะมีความเพลิดเทิน เ, เมื่อเห็นความจริงของสกุลร่างกายนี้มากน้อยอย่างไรแทนที่ใจจะมีความอิจนาละอาใจมีความทอถอยอ่อนแอ เศร้ามองภายในจิตใจหรืออับเฉาไม่เป็นเช่นนั้นยิ่งเป็นความนื่นเริงบันเทิงขึ้นมาจิตใจยิ่งเบาโดยลําดับลําดับเพราะเราเคยไปยึดไปถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลานา น, านแล้วโดยที่เราถือว่าเป็นเป็นเราเป็นของเร า, ท, าทั้งทั้งกองทุกเต็มอยู่กับความยึดความถือเราก็ไม่ทราบได้แต่เมื่อได้อย่างทราบอย่าด้วยปัญญาแล้วความยึดความถือจะทนไปไม่ได้ต้องถอยสลัดออกทันทีทันใด ห, หรือค่อยสลัดออกเรื่อยๆตามระลอกของปัญญาที่เข้าใจ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 สองอย่างนั้นเขาไม่ทราบความหมายของเขาแต่จิตผู้ทราบความหมายจะได้รับความชอบทรามถ้าปัญญามไม่สามารถที่จะปิดกั้นไว้ได้จิตใจจะมีความชอบทรรมมากทีเดียวแต่เมื่อเราได้พิจารณากายแล้วไพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นชัดเจนตามความจริงของกายของเวทนาแล้วแทนที่จิตจะบอทชามกลายจนจิตที่ผ่องใสขึ้นมามีความสงบตัว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 ทางทันนี่ก็พอจะเข้าใจได้เมื่อเข้าใจสองอย่างนี้ไอ้เรื่องสัญญาคือความเป็นหมายเรื่องกายเรื่องเวทนามันก็แทรกกันไปด้วยปัญญาเหมือนกันจะเข้าใจในรันระยะเดียวกันยิ่งเป็นวรรคสำคัญคือจะเป็นจะตายจริงๆแล้วนักปฏิบัติจะถอยไปไม่ได้ถอยก็แพ้นี่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 ไปจากหนังไปจากเนื้อจากเอ็นจากกระดูกไปเป็นอย่างอื่นมันเป็นความจริงของมันอนิเช่นนั้นทุกสแสดงขึ้นมาก็เป็นความจริงของเขานี่เรียกว่าปัญญาจิตไม่ตายทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ดับได้เกิดได้ดับได้จิต ด, ดับไม่ได้จิตจึงทนต่อการพิฟูดทนต่อความรู้ที่จะรู้สิ่งต่างๆเพราะจิตไม่ได้ทิพไห นั่นแหลเราจึงมีทางที่จะต้องพิจารณาด้วยปัญญาของเราให้เห็นชัดเจนเอาตายก็ตายแตก่ก็แตกผู้ไม่แตกมีอยู่เราจะทราบถึงความแตกดับของเวทนาอา้าดับไปเมื่อไหร่ให้ทราบกายจะแตกก็ให้ทราบไม่มีการท้อถอยแตกก็ก็แตกไปอย่าปรารถนาให้เห็นตามความจริงของมันจะแต่ก็แตกไปสลายก็ให้สลายไปนี่ชื่อว่าพิจารณาตามความจริงแล้วจะสนุกพิจารณา เห็นความจริงอย่างเต็มสั์เต็มส่วนแม้ที่สุดน่างกายจะสลายทงไปเราก็เป็นสุขโตไปอย่างองอาจก้าหารไม่มีความอับเฉาภายในจิตใจเลยนี้เรียกว่าสุขโตด้วยการพิจารณาอย่างนี้นี่เป็นประการเนี่ยประการสำคัญก็คือพิจารณาอย่างนี้แหละจนกระทั่งเข้าใจจริงๆในเรื่องขันทั้งห้า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 กิจก็จริงด้วยอำ น, นาจของปัญญาพิจารณาแยกแยกให้เห็นตามความจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จริงจริงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จริงทั้งสัเวลาที่สลานไปก็สลายไ ป, ไปตามความจริงของเขากิจก็จริงเต็มภูมิของกิจนี่เมอเป็นเช่นนี้แล้วพิจารณาถึงขั้นนี้แล้วเป็นผู้หมดความหวั่นไหว เรื่องการเป็นการตายไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างเช่นเดียวกับสินทั้งหลายที่แปรสภาพลงไปเช่นนั้นเนี่ยผู้นี้คือพูดทำชัยชนะไว้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่เดือดร้อนเวลาตายธรรมดาธรรมดาพ่อเราพิจารณาให้ถึงให้ ผูกกรมหลักธรรมชาติธรรมะไม่ปีนเตี้ยวไม่ฝืนทหลักธรรมชาติหลักธรรมดานไปสติปัญญาเดินตามหลักธรรมชาติเพราะทำท่านสอนตามหลักธรรมชาติท่านมให้ฝืนความจริงเมื่อพิจารณาตามความจริงรู้ตามความจริงแล้วจะไม่มีอะไรฝืนกันเลยต่อยตามความจริงเอาเป็นก็เป็นมีชีวิตอยู่ก็รับผิดชอบกันไปหาไม่แล้วก็ต่อยไปเสีย เครื่องกังวลวุ่นวายไปทั้งกองได้แก่ธาตุแข็ขันอันนี้ทาราฮเวปัญตะขั้นธาตทาราฮโรเจปุขครขันทั้งห้านี้แหละเป็นภาระอันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งรลกนะแล้วปล่อยวางขันทั้งห้านี้ได้ด้วยปัญญาอันรอบตูวเป็นผู้ดับสนิทในเรื่องทุกข์ทั้งปวง จะหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ภายในจิตใจตั้งแต่บัดนั้นต่อไปนั่นแหละท่านเรียกว่านี้พานังปรามังสุขขังคือสุขล้วนนไม่ใช่สุขกับด้วยทุกเวทด้วยเวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติเป็นสุขในจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่สุขในสมมติสุขในวิมุตยึงปรามังสุขขังนี่คือสาระคุณ เราจะเรียกว่านิจจังนิจจธรรมคือธรรมที่เป็นของเที่ยงก็ไม่ผิดไม่มีอะไรจะแย้งใายในตัวเองแล้วคนอื่นไม่สำคัญเรื่องอื่นไม่สำคัญขอให้เจ้าของบุคตามความเป็นจริงหมดทางที่จะขัดจะแย้งเจ้าของซึ่งเป็นตัวสำคัญคือเจ้าของเองนี้เท่านั้นก็หมดปัญหาไปเนี่ยที่ล่าวเบื้องต้นว่า อย่างที่จีรังถาวรโลคต้องการแล้วสิ่งนี้ก็อยู่ในจุดที่ไม่ถาวรดังที่กล่าวแล้ว ท, ที่นี้คืออมตะตังได้จจิตที่ไม่ตายเนี่ยตอนหนึ่งไม่ตายด้วยความหมุนเวียนของอำนาจีิเลฒมันถักใสให้ไปสู่ภพต่างๆครั้งสุดท้ายที่ ชำละไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นอมตะด้วยความไม่หมุนเอียนน่ะเราจะเรียกว่าธรรมชาติที่เที่ยงหรือนิพานเที่ยงกับปณิเที่ยงก็อันเดียวกันพิลังธาวรก็ได้แก่อันนี้เป็นที่พึงใจก็ได้แก่สิ่งนี้หมดความหวาดความระแวงอะไรทั้งหมดก็คือธรรมชาติอันนี้ที่ปล่อยตัวเองแล้วโดยโดยสิ้นเชิง ทำวาตัวว่าตัวได้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงแล้วตัวนั้นเป็นตัวของพิษของภัยตัวของปิเลตตตันหาสภาวะตัวของกองอย่างทั่วหัวตาที่ต้องเสียดแทงอยู่เสมอเมื่อปล่อยธรรมชาตินี้ได้โดยสิ้นเชิงแล้วถึงไม่มีอะไรที่จะพูดต่อบไปอีกถึงเวลาก็ไปอย่างสบายสบายหายห่วงมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปยินไปหลับนอนไปเหมือนกับโลก ท, ทั่วไปเมื่อถึงการแล้วก็ไปไม่มีปัญหาอะไรเลย ในความเป็นอยู่กับความตายไปสำหรับผู้ที่สิ้นปัญหาภายในจิตใจโดยสินน้นเชิงแนวเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือสาระคุณของมนุษย์เราได้จากศาสนาธรรมสมกำนามที่มนุษย์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดนำศาสานาธรรมซึ่งเป็นของพระเสริฐเลื่อโลกมาเป็นช่องทางํำเหนอหลีกหลบหลีกเลี่ยงทุกทั้งหลายไปได้จนทะลุปูโงพ้นจากภัยโดยประการทั้งปวง